อันนั้นเป็นประวัติเหมือนกับว่าเราตามดูรอยพระพุทธเจา้าแต่สิ่งที่เราน้อมเข้ามาอันนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ประทานเอาไว้สาหรับพวกเราโดยเฉพาะอันหนึ่งเป็นเรื่องราวส่วนพระองค์ส่วนพระองค์รว้วตั้งแต่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกะระริยาทุ่มเทกำลังใจทั้งหมดเรียกว่าทั้งกำลังชีวิตจิตใจทั้งหมดทุ่มเท เพื่อที่จะให้ตัดสรุธธรรมให้ได้นี่คือคือที่พระองค์ทรงกระทําบําเพ็ญอะเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้เมื่อพระองค์ทรงทุ่มเทเต็มที่จนกล้าหาญประกาศได้เลยว่าถ้าหากว่าทําความเพียรขนาดนี้แล้วทรมานตนขนาดนี้แล้วถ้าค้นทุกได้ต้องพ้นแน่ๆเพราะไม่มีใครที่จะทําได้เท่าเทียมกับพระองค์ยิ่งกว่าพระองค์เป็นไม่มี นี่ทําให้พระองค์กล้าพูดได้เต็มปากแล้วก็แน่พระไทยเลยว่าไม่ใช่ทางแน่นอนแล้วคราวนี้ก็ทบทวนก็ลําลึกได้ว่าเคยมีพระไทยสงบคือในขณะที่ตอนเป็นเด็กอะ่ะลําลึกถึงตรงนั้นขึ้นมาเลยว่าได้นั่งสมาธิจิตเข้าไปเป็นกลางๆงไม่มีอะไรเข้าไปทําให้จิตยินดียินร้ายไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้ในขณะนั้นแต่ขณะนั้นอะ่ะอยู่ในความสงบก็มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อมนี่แสดงว่าพระองค์อ่ะสมาธิของพระองค์ต้องเป็นสมาธิที่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวอยู่ว่าจิตอยู่ยังไงพร้อมกับจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเริ่มที่จะเสวยพระกายหารเพื่อให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูพอที่จะมีกาลังกาย ใช้ร่างกายในการนั่งสมาธิได้พระองค์จึงเสด็จมาที่นี่แล้วก็ไปยังต้นศรีมหาโพธิ์อันนั้นเป็นส่วนของพระองค์แต่ทีนี้ในส่วนที่ในสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่เป็นผู้ที่มีบุญมีบา ร, รมีคนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งแต่เคยสร้างสมบา ร, รมีมาแล้วก็คงจะเคยปรารถนาที่จะสวาย อาหารแกพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสรู้ธรรมเพราะว่าไออาหารที่มีอาณิสงฆ์มากที่สุดนะ่ะก็คือสองครั้งนี้เรียกว่าครั้งที่จะตัดสรู้ธรรมสเสม็แล้วสามารถตัดสรู้ธรรมได้ครั้งเดิมอันนี้นะ่ะมีอาณิสงฆ์มากที่สุดแล้วก็ครั้งที่จะปรินิพานนั้นแต่ที่เราสนใจนั้นคือสนใจพระไทยของพระองค์ ซึ่งมีความมุ่งมั่นบากบันจริงๆเลยจะเห็นว่าท่านจะไปทางไหนก็คือต้องมีดําริขึ้นมาว่าจะทํายังไงจะพ้นทุกข์ได้จะไปตรงไหนไปทําอะไรเนี่ยก็มีเป้าหมายอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือจะต้องบําเพ็ญเพียร เ, เพื่อให้ตัดรู้ธรรมให้ได้ถ้าหากว่าเราจะเ ก, กี่ยวข้องกันเราก็ตรงที่ว่าถ้าหากว่าเราทําอะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าจะทําการทํางาน ดำเนินชีวิตไปอยู่ก็าตามถ้าหากว่าเรามีเป้าหมายตรงนี้ด้วยนี่ก็เรียกว่าตรงกับที่พระองค์ทรงดำเนินมาเหมือนกันคือในขณะที่มีชีวิตอยู่คนเราก็ต้องดำเนินชีวิตไปใช้ชีวิตไปจากนั้นก็ต้องภายในจิตของเราก็พยายามสำรวมระวังเพราะมันไปด้วยกันได้ที่แรกก็รู้สึกว่าเออฝืนหน่อยลำบากหน่อย แต่ว่าพอจิตของเราเนี่ยมันเคยแล้วมันลงตัวแล้วมันเข้าที่แล้วสติควบคุมจิตได้ดีแล้วกับเป็นสิ่งง่ายกับเป็นสิ่งที่ดีเวลาทำการทำงานก็รู้สึกว่าสบายใจด้วยการงานก็มีคุณภาพมีประสิทธิภาพด้วยเวลาทำไปแล้วมันไม่มีทุกข์ด้วยเพราะธรรมชาติของจิตคนเรา อย่างท่ว่าเวลาเราคิดอะไรอ่ะในขณะที่คิดนั้นน่ะมันจะมีความรู้สึกอย่างอื่นแทรกเข้ามาด้วยเช่นกลัวกังวลวันไว้หรือปรุงแต่งในลักษณะต่างๆเข้ามาแทรกมันไม่ได้คิดด้วยภาวะทางจิตใจที่ไม่มีอะไรเจือปอนถ้าหาว่าเราตั้งสติแล้วก็ควบคุมจิตเราได้แล้วเวลาคิดเนี่ย เอาสติควบคุมจิตไว้ให้มันคิดชนิดที่ให้มันต่อเนื่องให้มันคิดอยู่เรื่องเดียวตรงนี้ก็เป็นการใช้จิตชนิดหนึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่งเป็นการภาวนาด้วยเหมือนกันคือคิดเรื่องการเรื่องงานนี่แหละคือเอาจิตเนี่ยดึงเรื่องนั้นเข้ามาแล้วก็จับเรื่องนั้นไว้ จับเรื่องนั้นไว้แล้วก็ใช้ปัญญาเราจุดจ่อลงไปพร้อมกับใช้ความคิดภายในของเราเนี่ยนึกเรื่องงานขึ้นมาคิดขึ้นมาแล้วก็ไปตามลำดับลำดับทีนี้พอเราลาดับงานของเราตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาปั๊บเวลาไหนเราจะทาอะไรเราก็จะรู้ได้ เช้าเราก็ทําธุรกิจส่วนตัวทําธุระส่วนตัวภาระส่วนตัวเรียบร้อยตรงนั้นมีอะไรบ้างลําดับเรียบร้อยเลยเพราะนั้นงานของเราก็จะเป็นลําดับสังเกตได้เลยนะคนไหนที่ถ้าหากว่ายังยังจับจดอยู่ยังโชงช่างอยู่แสดงว่าไม่ได้ลําดับงานจิตยังคิดไม่เป็นลําดับมันก็เลยทําให้มันมั่วๆโลเล ไม่ชัดเจนแต่ถ้าลองลำดับงานเอาไว้ปับ๊บตื่นขึ้นมาปับ๊บตรงนี้จะทำอันนี้อันนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไล่ได้เลยจากนั้นก็ทำไปตามที่เราคิดอยู่ภายในเอาไว้เนี่ยออกมาข้างนอกทาก็จะเป็นระบบเพราะนั้นอยู่ภายในคิดเป็นระบบเมื่อออกมาข้างนอกก็ทำงานเป็นระบบไม่ค่อยสับสนไม่ค่อยหลงลืมมากทีนี้สว่วนตอนกลางวัน ทีนี้สายมาแล้วเราจะทำอะไรทำอะไรทำอะไรทบทวนอีกแล้วเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนั้นคนนั้นแล้วระว่างนั้นจุดสาคัญมันอยู่ตรงไหนจุดที่เราจะต้องระมัดระวังข้อบกคล้องข้อที่เรียกว่าคนอื่นเนี่ยเขาควรจะได้รู้หรือว่าตรงไหนที่มันมีความสาคัญควรจะทำความเข้าใจมันก็จะมีอยู่ในนั้นเสร็จเลยอันนี้เรียกว่าใช้จิต ในการทำงานแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปในตัวคือสติควบคุมจิตเอาไว้ใช้จิตตรวจดูงานดูการอันนี้จิตก็ต้องมีกำลังพอสมควรนะหมายว่าจิตต้องตั้งมั่นแล้วก็จะทำได้ถ้าว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นมันยังอ่อนแออยู่แค่เราจะบังคับจิตให้คิดในเรื่องความเป็นอยู่ของเรามันก็คิดไม่ออก นั่นแสดงว่ากำลังสมาธิเรายัางน้อยอยู่กำลังจิตของเรายัางไม่ตั้งมั่นหรือตั้งมั่นแล้วแต่กำลังยังไม่พอที่จะเอามาตรวจสอบดูการดูงานได้คนเราทดลองได้เลยอย่างวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราทำอะไรเราเราสามารถที่จะระลึกถึงงานขึ้นมาไหมคือสตินี่เวลามันมีกำลังขึ้นมาแล้วเนี่ย นอกจากมันจะรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นมีสติรู้อารมณ์เฉพาะหน้าเวลามีอะไรเกิดขึ้นสติมันเข้าไปรู้ได้แล้วยังตามและลึกรู้ถึงอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือว่าถึงเรื่องราวที่เราต้องการที่จะรู้จะดูได้ด้วยหมายว่าเอาสติเนี่ยจับเลยดึงเข้ามาเลยดึงเรื่องราวเข้ามาอย่างบางเรื่องเนี่ยมันเคยสะดุด มันเคยกุ้มลุมจิตมันเคยติดข้องอยู่ในจิตแต่ก่อนเรามีแต่ระวังระวังระวังเวลากระทบแล้วระวังจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่คราวนี้ถ้าสติมันมีกําลังเพิ่มขึ้นมันไม่ต้องระวังแล้วดึงเรื่องนั้นเข้ามาทันทีเลยว่าใครที่เคยดา่าเคยว่าเราเวลาเรานึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมามันเจ็บปวดทุกทีเลยคราวนี้ แทนที่จะหนีมันแทนที่คอยระวังแม่มันเข้ามาเปลี่ยนใหม่เลยพลิกเลยจับดึงมันมาเลยดึงมาเข้าว่าเราอย่างนี้แล้วปัญญามันจะตรวจสอบส่องดูพอมันส่องดูแล้วเนี่ยถ้ากําลังมันพอนะมันจะเห็นว่าคนนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็อีกเรื่องหนึ่งส่วนตัวจิตเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอแล้วมันจะรู้ทันทีว่าเป็นเพราะจิตของตัวเองนี้ ที่ไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาถ้าอย่างนี้มันจะขาดออกไปเลยนี่เขาเรียกว่าธรรมวิจยะมาวิจัยธรรมวิจัยธรรมหรือเรียกว่าปัญญานั่นเองวิปัสนาปัญญาวิปัสนายานก็ใช่หรือเรียกว่าปัญญายานก็ใช่แต่อันนี้เขาใช้คำว่าเป็นธรรมวิจยะหมายว่าวิจัยธรรมเลือกเฟ้นธรรมก็คือจับมันมา จับเรื่องราวที่มันเคยสร้างปัญหาให้กับตัวเองลุงลังอยู่ในจิตเนี่ยจับมันมาเรื่องใครก็ตามเรื่องอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันเคยมีปัญหาแต่อันนี้ต้องใช้จิตให้มีกำลังส จ, จิตจะต้องมั่นตั้งมั่นจริงๆแล้วสามารถสติมีกำลังพอที่จะจับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันแย้งชัดให้มันสว่างกระจ่างแจ้งในจิตทีนี้จับมาแล้วตัวที่ดูเนี่ย เป็นตัวปัญญาเหมือนกับหมอเอาคนไข้มามาแล้วก็ใส่ยาสลบหรือว่ามัดติด ก, กับเตียงไว้จากนั้นก็ผ่าตัดลงไปอันนี้ก็คือจับมาจับมาแล้วก็ผ่าลงไปถึงจุดสำคัญส่องดูที่นี่ตรวจ ด, ดูเลยใช้เครื่องมือตรวจเป็นโรคอะไรมันมีโรคอะไรตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมีผิดปกติตรงไหนชารุดซุดโทม เสียหายเพราะมันมีอะไรอยู่ในนั้นตรวจสอบเรียบร้อยอรู้ว่าอันนี้มันเป็นบาดเป็นแผลหรือมีโรคอะไรอยู่ในนั้นจากนั้นก็ใส่ยาใส่ยาเรียบร้อยเยบ็บเรียบร้อยแล้วก็เสร็จธุระตอนที่หมอส่องดูตรวจดูว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็ใส่ยาตรงนี้คือตัวปัญญาอันนี้ก็จะคล้ายกัน แทนที่จะหนีอารมณ์ไม่หนีแล้วแต่จิตต้องมีกําลังซะก่อนถ้าจิตไม่มีกําลังลองไปดึงคนที่เขาว่าเรามาดึงปั๊บมันสวนออกไปเลยแม้มว่ากูอย่างนี้กูน่าจะว่ามันอย่างนั้นเสียดายที่วันนั้นเน่ะคิดไม่ออกคิดไม่ทันโอ้ถ้าเป็นวันนี้ละมึนน่าดูอะเนี่ยมันก็จะปูงแต่งไปแต่ถ้าจิตมีกําลังนี่ยอ๋อเขาว่าอย่างนี้เหรอส่องดูตรงนั้นอ๋อเขาก็อยู่ส่วนเขาไอ้คําพูด ก็เป็นเรื่องของมันไอความรู้สึกต่างๆก็ดับไปแล้วอ๋อบัณฑิตพอจิตเราเองมันจะจอเข้าหาจิตตัวเองเลยมันเป็นที่จิตเราเองนี่ที่ไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาซึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นตอนที่เขาพูดเขาพูดแล้วมันก็มากระทบสตวประสาทของเรามันก็เข้าไปหาจิตเราแล้วเราก็ปรุงแต่งไปในทางที่ยินดียินไายขึ้นมาพวกเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามันเป็น ของเกิดดับหมดเลยมันดับไปหมดแล้วพอมันดับไปหมดแล้วเอาจิตทําไมต้องไปยึดไม่ได้แล้วนะต่อไปจิตจะปล่อยวางชนิดที่ไม่ไปหยิบฉวยเอามาอีกคือมันเห็นแล้วมันแจ้งแล้วมันชัดแล้วมันไม่หลงที่จะไปยึดเอามาอีกนี่คือมันละได้ด้วยปัญญาเขาจึงเรียกว่าธรรมวิจยะวิจัยธรรมเลือกเฟ้นธรรม หรือพิจารณาทำใจ ต, ตรองทำไขควรวนทำเพื่อให้จิตเข้าใจเพื่อให้จิตปล่อยวางแต่ถ้าหาว่าจิตไม่มีกำลังก็ทำไม่ได้อันนี้มันมันมีข้อจำกัดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวกำลังของจิตจำเป็นเพราะใครสัมรวมมากๆแล้วสติรักษาจิตไว้ได้ตลอดเวลายิย่งมากยิ่งดีโอกาสที่แจ้งชัดภายในจิตก็มีมาก คืออันนี้มันจะละเอียดเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆนี้ขั้นต้นๆ น, น, นี้บางเรื่องอาจจะทําได้บางเรื่องอาจทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเรื่องไหนมันหนักดึงเข้ามาปั๊บมันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมานเคยมีผู้หญิงอะ่ะเขาก็ยังสาวอยู่ก็คงจะผิดหวังเรื่องแฟนอกหักอะไรเนี่ยมาเขาก็มาปฏิบัติตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ แล้วก็เนี่ยก็มีความเสียอกเสียใจเรื่องแฟนเขาก็ได้ยินว่าเออถ้าหากว่ามันติดขัดเรื่องอะไรก็ให้ดึงเข้ามาแล้วก็ให้ปัญญาเนี่ยมันส่องดูส่องดูแล้วมันก็จะแยกออกจากกันเห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเกิดแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรเขาก็ไปลองพอไปลองแล้วปรากว่ายิ่งทำมันยิ่งเจ็บปวดยิ่งทุกข์ทรมานเพราะจิตไม่มีกาลังพอ ก็เลยเขามาหาก็เลยบอกว่าเอออย่าพึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้จิตยังอ่อนแออยู่กําลังยังไม่พอให้ตั้งสติจเจริญสติให้มากๆเจริญสติแล้วก็ให้สตินี้ควบคุมจิตเอาไว้สะก่อนไม่ต้องรีบร้อนหรอกเพราะตอนนี้ยังไงยังไงมันก็มีทางออกแล้วก็คือพอเรามาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใจของเราก็สบายขึ้นแล้ว ดีเสียอีกที่มันมีความทุกข์แล้วอะ่ะทำให้เรานี้มาสแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าทําให้เราหันเข้ามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้จิตใจของเรานี้ออกจากทุกข์ถ้าไม่พบทุกครั้งนี้เราก็อาจจะประมาทมัวเมาเนี่ยถ้าหาว่าเขาใจดีกันเราถ้าเขาซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อเราป่านนี้เราก็หลงเขาไปอยู่กับเขาแล้วถ้าเกิด ต่อไปมันมีอะไรมากกว่านี้ลึกซึ้งกว่านี้แล้วมีปัญหาขึ้นทีหลังเรายิ่งเจ็บปวดทุกทรมานกว่านี้เพราะแค่นี้ดีแล้วละ่ะเรายังตั้งตัวได้เรายังมีเวลาถอยออกมาได้เพราะนั้นยอมเถอะเจ็บปวดทุกทรมานแค่นี้ยังดีกว่าที่เราจะต้องทุกทรมานทั้งในนรกหมกไหม ทั้งเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายทั้งเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารยืดยาวนานชนิดที่นับไม่ถ้วนเพราะนั้นเมื่อมาพบทางของพระพุทธเจา้าก็ให้ตั้งใจปฏิบัติเอามีเวลาขนาดไหนก็ปฏิบัติเต็มกําลังสติปัญญาความสามารถได้ขนาดไหนให้เอาขนาดนั้นนะอย่าไปรีบร้อนอย่าไปรีบเร่งเราทําได้ขนาดไหนก็ยอมรับทําได้ขนาดนั้นไปก่อนหรือเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ย บางคนก็สู้กับเวทนาว่าขึ้นไปเออพุทะเจ้าก็เป็นผู้ที่มีความเพียรอย่างยิ่งยวดไม่หวั่นไหวต่อเวทนาทุกประการเลยไม่กลัวเวทนาทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกก็เรียกว่าต่อสู้เต็มที่เราก็ลองบ้างแต่ของเราเนี่ยมันต้องค่อยๆทดลองไปค่อยๆปฏิบัติไปสะสมกำลังสติปัญญาของเรามันจะค่อยๆพัฒนาขึ้น ถ้าหากว่าเราทำยังไม่ได้กําลังยังไม่พอก็ไม่เป็นไร อ, อย่างน้อยเราได้ทดลองแล้วได้ขนาดนี้ก็พอใจต่อไปก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคือตัวปัญญาเนี่ยมันก็ต้องค่อยสะสมเหมือนกันรวมทั้งกําลังของสติสติเราก็ต้องค่อยสั่งสมอบรมเหมือนกันสมาธิก็ค่อยเพิ่มพูนขึ้นเหมือนกันปัญญาก็ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้น ถ้าหากว่าเวลาถึงเวลามันบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วมันจะลงตัวของมันเองเดียวว่ามันเข้าที่เข้าทางมันจะลงล็อกของมันเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราไม่เพียรเราไม่สั่งสมอบรมอินทรีย์บารมีของเรามันก็ไม่แก่กล้ามันก็ไม่เพิ่มพูนขึ้นยิ่งถ้าหากว่าเรากระทบอารมณ์แล้วแรงกระทบ มันมีแรงมันมีอิทธิพลดึงดูดจิตของเราให้ไหลไปอะแล้วจิตใจเรามันไหลไปกำลังเราก็อ่อนลงเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้สำรวมอินทรีย์แต่ใครรู้กำลังก็ต้องรู้วิธีสำรวมอินทรีย์ด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าวิชาและวิมุตติก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหาร เ, เวลาผู้เจ้าสอนนะบางทีก็สอนตามลาดับนะ วิชาเละวลมต์ก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของวิชาเละวลมต์คือโพดชงเจ็โพชชงเจ็ก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของโพดชงเจ็คือสติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏฐานทั้งสี่ก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของสติปัฏฐานทั้งสี่คือสุจริตทางกายวาจาและจิตใจไหมว่าสุจริตสสุจริตสก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารคือการสัรวมอินทรีย์ การสํำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารการสํำรวมอินทรีย์นี้มีอาหารคือสติสัมปัญญะสติสัมปัชญะก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของสติสัมปัชญะคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนัสิการก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของโยนิโสมนัสิการคือความศรัทธาความศรัทธาก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหาร อาหารของศรัทธาคือการได้ยินได้ฟังพระสัท ธ, ธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าการได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของการได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมก็คือการคบกับสัตบรุรุษสัพพบุรุษหรือการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่อย่างที่เรามาที่อินเดียเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเราให้อาหาร แก่การได้ยินได้ฟังสัตธรรมคือเรามากับครูบาอาจารย์มากับผู้ที่พอที่จะเอาธรรมะมาอาธิบายมาเปิดเผยให้เราฟังหรือผู้ที่บรรยายก็บรรยายพยายามให้สามารถนำเอามาเป็นข้อปฏิบัติได้นี่เรียกว่าเราให้อาหารให้อาหารแก่การได้ยินได้ฟังพระสัตธรรมแล้วก็อาศัยสถานที่ด้วย เมื่อเราได้ยินได้ฟังพร้อมกับมีสถานที่รองรับมีสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เป็นที่ประทับบ้างเป็นที่ประสูตรบ้างตััสรู้บ้างแสดงปฐมเทศนาบ้างปรินิพานบ้างรวมทั้งสถานที่ที่พระองค์ทรงทำความเพียรบ้างทรงประทับอยู่บ้างทรงเผยแพ่คาสอนของตงแต่ละแห่งแต่ละแห่ง ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับคำสอนของพระองค์อันนี้ก็ทำให้เกิดเป็นอาหารของพระศัธรรมขึ้นมาการฟังธรรมก็ลึกซึ้งเข้าไปถึงใจเรารู้สึกว่าเออธรรมะของพระเจ้านี้มันก็เป็นเรื่องของชีวิตเราของจิตใจของเราและก็เป็นเรื่องของมนุษย์อย่างเรานี้แหละที่พอใจได้ยินได้ฟังน้อมนำมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่ อ, อออกจากทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ เนี่ยมันก็จะน้อมเข้ามาพอเราให้อาหารถูกหลักคบกับสัตบุรุษได้ยินได้ฟังพระัธรรมเกิดศรัทธาขึ้นมาพอเราได้ยินคาสอนของพระองค์บ่อยๆเนืองๆมันก็เข้ามาที่จิตของเราเกิดความลึกซึ้งเข้ามาที่จิตใจของเราจากนั้นเราก็ทบทวนไข่ครวญพิจารณาดูมีเรียกว่ามีโยูิใสมานสิการคิดถูกหลัก คิดตรงกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระองค์สอนน่ะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเองทั้งหมดอ่ะพอการตัดสู้ของพระองค์ก็คือการดับทุกข์ภายในพระทัยของพระองค์ก็แสดงว่าถ้าใครปฏิบัติตามพระองค์แล้วก็จะต้องดับทุกข์ภายในจิตใจของคนนั้นได้เราไปไหนมาไหนเราจะเห็นคนเขาทุกทรมานมากอะที่เขาแสดงออก เดินลงมาเมื่อกี้นี่แม่น่าลำคานจริงๆเลยนะอดทนหน้าดูเลยนะมันยื่นในขนมะนะมันนะมัใส่หน้าเราเนี่ยเราเดินไปมันก็ยื่นอยู่จ่ออยู่งั้นน่ะอาจารย์อาจารย์มันก็ชี้ไปที่ลิง50าสิบรูปีห้าสิบรูปีเนีให้ลิงให้ลิงอะไรก็ว่าไปไอ้ใจเราก็บอกไม่ไม่เราก็อาจารย์อาจารย์เราก็โนโนคือคือไม่รู้จะพูดทํำยังไงอะ่ะเราก็พูดกับเราเองอย พูดในใจโหนโหนหมายความว่าเขาทุกข์ทุกข์กว่าเราหลายเท่าเขาต้องทําแบบนั้นแหละต้องแสดงออกมาแบบนั้นแหละเพราะความทุกข์มันล้นตี่เต็มเตี่ยมอยู่ในจิตของเขาเขาต้องทําแบบนั้นไม่ทําเขาก็ทุกข์เขาก็ยิ่งทรมาน่เขาก็อยากได้เงินอยากขายของอยากในเงินควรไม่ควรก็ไม่รู้ละ่ะแต่ว่าเขามันควรสําหรับเขาเขาต้องการมาก มันก็จ่ออยู่ตรงหน้าเราเราเดินไปมันก็จ่ออยู่ยงั้นเนี่ยเดี๋ยวมันมันมันที่มันก็สิทธิของเราอะ่ะเราจะเดินไปแต่เขาก็มาล่วงละเมิดสิทธิของเราอะ่ะแต่เขาก็อยากได้เงิน อ, อยากให้เราซื้ อ, อแต่พอเราไม่เอาสักระยะหนึ่งเขาก็เลิกไปเราก็เกี่ยวข้องเขาอย่างนี้แหละก็ทําอย่างนี้แหละแต่ว่าเรานะ่ยมองเห็นความทุกข์ของเขาทุกทางภายนอกก็ไม่มีกินไม่มีอาหารการกิน อยู่ที่อาศัยลําบากเสื้อผ้าแพ้พันไม่รู้พอใช้ไม่พอใช้วันหนึ่งก็ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่พฤติกรรมของเขามันก็ไม่เหมาะสมคือสําหรับเรามันไม่เหมาะสมแต่สําหรับเขามันอาจจะเหมาะสมสําหรับเขาแต่ว่าเรามองเห็นความทุกข์ที่อยู่ภายในจิตของพวกนี้ว่าโ oh, oh, อ้โหเขาทุกข์ระเรื่อนินะเนี่ยทั้งเด็กทั้งเล็กบางทีก็เอาเด็กเล็กๆนอนตัวเองก็นั่ง ให้เงาลงไปบังแดดให้กระดิกเพื่อเรียกร้องความสงสารเรียกร้องความเห็นใจเพื่อคนเห็นใจก็จะได้ให้เงินเขาอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่นี่คือมันมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหาว่ามีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ต้องหาทางออกจากทุกข์ มันก็ต้องได้ยินได้ฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วก็เอามาไข้่ควรพิจะะารณาหาทางออกให้กับจิตของเราอ่ะแต่ทำสอนของพระเจ้ามันก็ลงมาที่ตัวเรานี้ว่าเอจริ ง, รงๆแล้วชีวิตของเรานี้มันชั่วขราวมันไม่ใช่ไปยึดติดจนกระทั่งกลัวตัวเองจะเป็นจะตายอะไรอย่างนั้นเอ้ยมันชั่วขราวเฉยๆร่างกายนี้ก็เกิดมาอาศัยร่างกาย ใจก็สาศยกายอยู่แล้วทํำยังไงใจิตใจไม่มีทุกข์ละก็ต้องมารู้ความจริงตรงนี้ซะก่อนเพื่อไม่ให้หลงว่าเป็นตัวเราอย่างนั้นแน่นแล้วก็ทําอะไรเพื่อตัว ต, วตนของเราจนเอาทุกข์มาให้กับตัวเองโดยที่ไม่รู้จักทางออกนี่พระองค์ก็ชี้มาที่ความจริงอ่ะพอเราได้ฟังความจริงแบบนี้อ่ะมันก็ต้องมาไขควรเรียกว่ามีโยนิโสมนสิการคิดถูกหลักไขควรถูกหลัก นี่นาถูกหลักตรงกับความจริงนี่ท่านจึงเราเรียกว่ายโยนิสโสมานติการที่น่าตรงกับความจริงเอาถ้าว่าเรามาตรวจดูเดี๋ยวนี้ร่างกายเราเนี่ยทุกคนแหละแต่ละคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บไปไหนมาไหนก็ต้องแหมมันต้องรับผิดชอบเดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกะหายเดี๋ยวอยากหลับอยากนอนเหนียวเหนื่อยเหนียวเพียดูที่ร่างกายมันก็บีกคันเราแบบนี้แหละเห็นชัดเจนเราก็ต้องอดทนต่อไป แลีวทางจิตใจก็โอกระทบอารมณ์เดี๋ยวก็เรื่องนั้นบ้างเดี๋ยวก็เรื่องนี้บ้างที่พักที่อาศัยบ้างการเกี่ยวข้องซึ่งกันและ ก, กันบ้างภายนอกบ้างมันก็มีอารมณ์เข้ามาอยู่ตลอดเลยแต่พระพุทธเจ้าก็ให้เอาสิ่งเหล่านี้แหละมาสอนจิตของเราไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธมันได้ในสมัยก่อนก็มีพระพุทธเจ้าก็มันมีบางลัทธิอะพระพุทธเจ้า อ พ, อพอเจอกันพระพุทธเจ้าก็มักจะถามไถ่ธรรมะ ก, กันบอกว่าที่สำนักของเธอเธอเป็นเธออยู่ที่ไหนสำนักไหนสำนักนั้นแล้วเขสอนยังไงล่ะอาจารย์ของเธอสอนว่าให้สำรวมอินทรีย์ครับสำรวมยังไงอ่ะสำรวมก็คือไม่ให้ตาไปเห็นไม่หูได้ยินเนาหลบเลยพวกเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยสำรวมอินทรีย์ในยวินยัยไม่ใช่อย่างนั้นให้มีสติให้มีสติควบคุมจิตเอาไว้เวลากระทบอารมณ์ไม่ให้จิตไปหลงยินดียินลาย พวกนั้นปฏิเสธไม่ให้เห็นน่ะเอามีตาไม่เห็นก็ไม่ได้มีหูก็ต้องได้ยินกันวะเดี๋ยวมันก็ถูกของพระพุทธเจ้าอ่ะเนี่ยพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ได้หลักะคําสอนของพระเจ้าก็ทําให้เรามีโยนิโสมนสิกาลไข่ควรถูกหลักเมื่อมีโยนิโสมนสิการเนี่ยสติมันเข้ามาข้างในอ่ะมันมาพิจารณามาไข้ควรทําให้มีสติสัมปชัญญะพอมีสติสัมปชัญญะทีนี้มันกระทบอารมณ์ก็รู้เร็วปับป๊บปั๊บสัมรวมได้ ละมัดระวังตาหูจมูกลิ้นตายใจได้พอมีตามันก็ต้องกระทบกระทบแล้วก็คอยระวังตอนที่มันจะเข้ามานี่แหละคือตาของเรานี่เวลามันกระทบปั๊บเนี่ยรู้หรือไม่รู้ถ้าไม่รู้นี่หลงไปก็เป็นกิเลสเป็นความทุกข์แต่ถ้ารู้เป็นธรรมะเป็นทางออกจากทุกข์ไม่ให้มันไหลเข้าไปหาจิตเราไหลเข้าไปแล้วก็ให้รู้ทันมัน แล้วมันก็ดับไปได้เห็นว่ามันแค่เกิดดับเท่านั้นเองมันก็เป็นสติเป็นปัญญาขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะทันหรือไม่ทันถ้าทันเมื่อไหร่ก็เป็นรู้รู้แล้วก็เป็นทางออกจากทุกถ้าไม่ทันไม่รู้ก็เป็นทางเข้ามาของความทุกเป็นทางเข้ามาของความหลงของความไม่รู้นี่มันเข้ามาทางนี้แหละตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างถ้าเราไม่สัรวมก็คือ เราก็ไม่รู้ไม่ทันไม่รู้ก็เป็นหลงตายเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นความทุกข์ทันทีเลยนี่ขบวนก่อเกิดทุกข์เนี่ยมันอยู่ในจิตของเรานี้ตอนที่มันกระทบอารมณ์ถ้ายังไม่กระทบไม่มีอะไรเลยอยู่เฉยเฉยนี่คือนอนเนื่องทันว่ายังไม่เกิดอวิชชายังไม่เกิดความหลงยังไม่เกิดกิเลสตัณหาอุปทานยังไม่เกิดกระทบปับ๊บ ระเทือนเข้าหาจิตแล้วรู้หรือไม่รู้ที่นี่ถ้าไม่รู้ก็เป็นหลงแล้วเป็นอวิชชาแล้วก็เกิดเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นอุบทานแล้วเป็นสายที่ก่อเกิดทุกทันทีเลยถ้ารู้ปับ๊บไม่หลงแล้วไม่เกิดกิเลสตัณหาอุบทานแล้วเป็นสายดับทุกเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าสติสัมปชัญญะนี่มีอาหารคือโยนิโสมนสิการ พอมีสติสัมปชัญญะปับ๊บมันก็ทําให้การสํารวมอินทรีย์เนี่ยดีการสํารวมอินทรีย์ก็มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารพอสํารวมอินทรีย์ดีเวลาเราจะไปทําผิดอะ่ะมันก็ไม่ได้เพราะมันรู้ทันแล้วนี่สํารวมดีแล้วก็บละเจตนาที่ไม่ดีได้ทางกายก็สุดจริตทางวาจาก็สุดจริตทางใจก็สุดจริตทีนี้พอมันสุจริตแล้วเนี่ยเราสังเกตดูจิตของเราเลย ถ้าเวลาไหนเราทำดีถูกต้องหมดนะโอ้สบายมากเลยสติควบคุมจิตสบายเลยจิตก็แน่วแน่อยู่ข้างในไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจก็ตั้งมั่นได้เร็วเพรานะนั้นอะไรเกิดขึ้นรู้ทนันรู้ทันเพราะสติมันดีเพราะฉะนั้นการสำรวมอินทรีย์เนี่ยมันจึงทำให้เกิดกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วมันก็เป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่ จเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ง่ายพอ ง, ง่ายแล้วพอสติปัะฐานสี่สมบูรณ์ขึ้นมาโพชฌงเจตโพชฌงเจตก็คือว่าสติมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาขึ้นมามีกําลังสูงแล้วเขาเรียกสติสัมโพชฌงมันเป็นองค์ที่จะทําให้รู้ธทำได้ก็หมายก็ว่านอกจากอะไรเกิดขึ้นมันรู้แล้วมันมันยังสามารถตามระลึกรู้สิ่งที่มันผ่านไปแล้วได้ด้วยเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมเราพูดอย่างนั้นนะไปดึงกัได้อ่ะ ดึงมาได้เพราะเรามีเจตนาอะไรอยู่ตรงนั้นตามมาดูเจตนาของตัวเองได้ด้วยไอ้บางทีเราพูดไปแล้วตอนพูดน่ะเจตนาดีอ่ะเมื่อกีดูไอ้ถ้าไมเราพูดอย่างนั้นนะเมื่อกี้เนี่ยดื่มไปว่าเจตนาดีเอ้เนี่เราพูดไปมันผิดนะเนี่ยไม่สบายใจขึ้นมาเป็นทุกข์ได้เพราะความคําพูดของตัวเองแต่ถ้าหาว่าสติเรามันพัฒนาขึ้นมาเป็นสติสัมโพธิ์ชงเอ้เมื่อกี้นี่เราพูดไปเอ้เหมือนพูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ มันไปดึงมาอีกเอ้ยเมื่อกี้เราเราสติเราว่าอย่างไงนะที่เราคิดว่าอย่างไรอ๋อเราเจตนาเราดีอ๋อไม่เป็นไรเจตนาดีแล้วเราตั้งใจดีถึงจะผิดพลาดไม่เป็นไรแก้ไขได้เพราะมันไม่ได้ประกอบไปด้วยอากุศลกิจมันไม่ได้มีเป้าหมายผิดในกิจของเราเจตนาดีแล้วใช้ได้มันเอาเจตนานี่การกระทํานี่มีเจตนาเป็นตัวกรรมนี่มันละเอียดเข้าไปหาจิตเลยนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันพัฒนาขึ้นเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยสตินี่ก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็ยังไม่พอสามารถตามดึงเอาอารมณ์ที่มันผ่านไปแล้วมาได้เราทำแล้วตั้งนานแล้วเราก็น right. ึกข you right? ึ้นมาได้วันนั้นเราทำอันนั้นด้วยเหตุผลอะไรด้วยเจตนาอะไรเราดึงมาดูได้วันนั้นเราพูดกับคนนั้นคนนั้นคาพูดของเราคือยังไงเขาพูดเขาอย่างไงเจตนาเราคือยังไงดึงเข้ามาดูได้ แล้วก็พอดึงเข้ามาในขณะที่ดึงเข้ามาเนี่ยสตินี่จับไว้ด้วยจับไว้ด้วยแล้วก็ปัญญามีโอกาสส่องดนูนต้องจับไปก่อนจับไว้แล้วปัญญาส่องดูได้เวทธรรมวิจยะตัวนี้คือวิจัยธรรมเรื่องเป็นธรรมค่าควรธรรมพิจนารณาธรรมคือตัวปัญญาธรรในขณะที่ทําอย่างนี้อยู่เขาเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌเนี่เป็นความเพียรความเพียรเพื่อบรรลุธรรม หรืเรียกว่าสัมมาวายามะอันเดียวกันหมดเลยถ้าหาว่ามันเห็นว่าไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่นะปีติสัมโพชงจะเกิดขึ้นมาใจจะเบิกบานอิ่มเอิบอิ่มเอิบในที่นอิ่มเอิบในจิตนะไม่ใช่สาบซ่านไปทำร่างกายเหมือนกับในสมถะเพราะฉะนั้นปีติในสมถะกับปีติในวิปัสสนาที่มันเห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานี้จึงแตกต่างกันอันนี้มันเบิกบานอิ่มเอิบอยู่ในจิต ด้วยความรู้ความเข้าใจเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมันก็เลยอิ่มเอบเบิกบาขึ้นมามันติดกำลังของจิตโดยที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรไม่ต้องอาศัยคนยกย่องสรเสริญอะไรทั้งนั้นเพราะเห็นความจริงบรรู้ความจริงอย่างนั้นก็จิตภายในจิตก็เกิดความสงบสงัดลงไปเดี๋ยวว่าปัสสตรีสำโพชงใจก็ตั้งมั่นท่นี่ไม่ไปไหนแล้ว อยงนั้นจิตจะวางอุเวกขาวางหมดเลยวางแม้กระทั่งตัวจิตเลยวางเฉยเลยคราวนี้วางด้วยปัญญาเห็นแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราก็วางไม่ใช่แบบแบบที่มันวางอารมณ์ข้างนอกเฉยๆเป็นเป็นสมาธิอันนั้นขั้นสมาธิเนี่ยก็ไม่มีอารมณ์ปรุงแต่งจิตแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจแต่ขั้นอุเบกขาสัมโพชงนี้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราแล้ววางเฉยทั้งหมด คราวนี้จิตก็พร้อมเลยที่จะบรรลุธรรมได้มีท่านถึงบอกว่าวิชาเลบุมุตมีอาหารมีอาหารคือโพชฌงเจตนี่แหละเป็นอาหารโพชฌงเจตก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของโพชฌงเจตคือสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ต้องมีตั้งแต่ต้นๆไปเรื่อยๆเรืยๆรื่อยๆ เ, เ, เ, เ, เพิ่มพูนกําลังของสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น จริงๆแล้วเวลาพูดธรรมะนี่เขาให้พูดตามลาดับไม่ว่าศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระเจ้าแล้วจึงมีความเพียรอยากปฏิบัติมาปฏิบัติมีความเพียรเจริญสติมีสติเมื่อมีสติก็มีสมาธิมีสมาธิมีปัญญาอย่างนั้นแต่ที่เวลาเราพูดเนี่ยมันไม่ถนัดอ่ะเราก็ต้องพูดสติก่อนพูดภาพปฏิบัติเพราะสติคุมจิตแล้วก็เป็นสมาธิสมาธิใจตั้งมั่นก็มีปัญญาก็ต้องอาศัยศรัทธาและความเพียรเนี่ย มันก็เลยไปอย่างนี้เลยทีนี้ถ้าว่าคนที่เขาเขารู้ปริญัติเนี่ยเขาก็เขาบอกว่าต้องพูดตามลําดับสเอาใช่แต่เวลามาพูดจริงๆอะ่ะของเราว่ามันถนัดอย่างเนี้ยเราก็พูดไปตามความรู้สึกในภาคปฏิบัติของเราแต่มันก็อาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละจนกระทั่งพวกนี้สติสมาธิปัญญาสัทธาความเพียรมีกําลังมากพอ บริบูรสมบูรณ์แล้วพวกจงเจ็ดก็สมบูรณ์ด้วยนี่มันจะต้องพัฒนาไปเรื่อยตามลําดับตามลําดับเพราะ น, นเราย่อหย่อนอแน่ไม่ได้ถ้าหาว่าเราปฏิบัติเล็กๆน้อยนเราหยุดไปอะ่ะแล้วสภาวธรรมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปอะ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังทุกครั้งนะน้าตาอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องภาคเพียรพยายามอดทนปฏิบัติรอเวลาที่จะให้มันบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วมันจะประหารกิเลสได้ เอาละตอนนี้ก็จะให้ภาวนาอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะเราจะย่นเวลาแล้วเพราะว่าไหนๆเราก็ได้มายังสถานที่ที่รู้สึกว่าเออเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลคุณงามความดีมันกระตุ้นเตือนจิตใจของเราเนี่ยให้น้อมไปในทางที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ดเีเราก็เลยว่าเออเมื่อเราอุตส่าห์ลำบากตักตับ ม, มาแล้วนั่งรถนั่งเรือมาตั้งใจนั่งเครื่องบินมาตั้งใจ ตรงไหนที่เหมาะสมเราก็ได้นั่งภาวนากันแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเบียดเบียนเวลารับประทานอาหารตอนกลางวันเดี๋ยวเราก็จะหยุดแต่ก่อนจะหยุดนี้ให้ตั้งใจให้เป็นที่เลยว่าพอเราจะหยุดแล้วให้เราได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติของเราให้เต็มที่สำรวจดูเลยว่าตอนนี้จิตของเราอยู่อย่างไง ร, รู้ตัวไหมเอาความรู้ตัวนี่แหละเป็นหลักสาคัญรู้ตัวนั่นก็คือว่ามันเป็นปัญญาชนิดหนึ่ง ความรู้สึกตัวความรู้ตัวเนี่ยเป็นญาณเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของผู้เจ้านี้เรียกว่ามีญาณในทุกระดับมาว่าสงบก็รู้ว่าสงบรู้ว่ามีสมาธิรู้ว่าจิตเป็นหนึ่งรู้ว่าสติเราดีขึ้นรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเรารู้รู้อย่างนี้ก็เรียกว่าญาณชนิดหนึ่งอาจจะเป็นญาณในขั้นสมถะก็ได้ญาณในขั้นสมาธิญาณในขั้นสมาถะ ถ้าหาว่าสูงขึ้นไปก็เป็นญาณในวิปัสนาญาณคือเห็นพัตไตรลักษ์ด้วยเห็นความเกิดดับด้วยตั้งสตินะสุดท้ายแล้วนะถ้ามันม่วงนี่ต้องดึงออกมาให้ได้นะตั้งใจดูนะตั้งสติดูนะไม่งั้นไม่อยู่นะเอาไม่อยู่นะเอาเตรียมตัวนะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้ว อาหารของนิวรณ์ก็มีด้วยนะผู้เจวะอวิชาก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของอวิชชาคือนิวรณ์ทั้งห้าเพราะฉะนั้นนิวรณ์ห้านี่เป็นอาหารของอวิชชานิวรณ์ห้าก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของนิวรณ์ห้าคือทุจริตสามคือทุจริตทางกายวาจาและก็จิตใจทุจริตสามก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหาร อาหารของทุจิยิตสามคือการไม่สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกดินกายใจการไม่สำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์ก็คือขาดสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะการไม่มีสติสัมปชัญญะก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารเพราะขาดศรัทธาการขาดศรัทธาก็มีอาหารไม่ใช่ไม่มีอาหารคือการไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระสัธรรม การไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระสัทธำมก็มีอาหารไม่ใชม่มีอาหารอาหารของการไม่ได้ยินพระสัทธำมก็คือการไม่รู้จักพบกับสัตตบุรุษคือผู้รู้หรือผู้ที่จะสามารถนำเอาคาสอนของพระเจ้ามาอธิบายให้ฟังได้เพราะถ้าหาว่าเราอยู่บ้านอยู่เรือนเราไม่สามารถไปหาครูบาอาจารย์อะไรได้เนี่ยล้วก็แสวงหาไอ้ธรรมะต่างเอามาให้ตัวเองมีโอกาสได้ยินได้ฟังมากๆ ได้ยินได้ฟังบ่อยๆได้เพื่อที่จะให้อาหารแก่การได้ยินพระสัตธรรมได้ยินพระสัตธรรมแล้วก็ทําให้เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วมีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการทําให้มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะทำให้การสํารวมอินทรีย์ตามหูจมูกดินกายใจได้ดีแล้วก็ทําให้สุดจริตสมเกิดขึ้นสติปัฏฐาน4ี่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆโยงกระช่างโพชฌงเจ็สมบูรณ์วิชาและวิมุตต์ก็สมบูรณ์เพราะนั้นเราก็ต้องรู้จัก องค์ประกอบที่จะทำให้การปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าด้วยและก็ไม่ให้อาหารสิ่งที่เป็นนิวรณ์ห้าให้อาหารสิ่งที่มันจะเป็นวิชาและวิมุตเพื่อความหลุดพ้นเพื่อสติเพื่อปัญญาเอาสํารวมจิตใจเป็นโอกาสสุดท้ายนะให้ตั้งใจบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่พระธรรมคาสอนของพระองค์แด่พระญสงเจ้าทั้งหลาย เราได้เดินทางมาถึงประเทศอินเดียก็เต็มไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสมาด้วยจิต ด, ด้วยใจอย่างแท้จริงเมื่อมาแล้วก็รู้สึกว่ามีความศรัทธาเลื่อมสจริงมีความขวนขวายอยากประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยการที่ได้เจริญตามรอยพระบาทของพระองค์ เ, เดินทางไปสัมผัสสถานที่ที่พระองค์ทรงเที่ยวทรงเกี่ยวข้องกับพระองค์นั่นแหละ รวมทั้งสถานที่เทพระองค์ทรงบําเพ็ญพุทธกิจมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีกําลังมีความศรัทธาเลื่อมใสเพิ่มขึ้นมีความฮึกเหมิมมีกําลังใจอยากจะปฏิบัติตามรอยบาทของพระองค์อยากจะพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงตัดสู่แล้วทรงบรรลุแล้วนี่ก็เรียกว่าคุ้มค่ากับการมาของเราแล้วแม้แต่สถานที่แห่งนี้ รู้ว่าคนนี้เขาก็เคยช่วยเหลือเกือ้อกูลพระพุทธเจ้าถวายข้าวมัทุปาญาติจนทําให้พระองค์นี้ตัดสรู้ได้เรามาแล้วเราก็ถือโอกาสปฏิบัติธรรมจากนั้นก็ให้ตั้งใจย้ํากับตัวเองข้าพระเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพระเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรม จนพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารด้วยเถิดและก็ตั้งใจอิศบุญของมอำนาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงเดินบรรดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาและนายเวิณของข้าพเจ้าให้แก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้และที่กําลังต้องการบุญจากข้าพเจ้าทุกชั้นทุกภูมิเทวดาเหล่าใด ที่ใดก็ตามก็ขอให้กินดีรับเอาบุญของข้าพาเจ้าข้าพเจ้ากินดีข้า พ, า เ, จาาพาเจ้าเต็มใจจะบุญให้แก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทุกชั้นทุกภูเมื่อรับเอาบุญแล้วก็ขอให้มาปกปักษ์กระส า, าคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเกื้อหนุนข้าพาเจ้าทําสิ่งใดก็ให้มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งที่ไปได้เถิดข้าพาเจ้าจะมาทำบุญแล้วก็คิดบุญให้ไม่เย็นปน จากนั้นเราอยากอุทิศบุญให้ใครก็อุทิศบุญได้นะอยาให้แกทุกชั้นทุกภูมิก็ได้พวกชั้นต่ำบ้างพวกที่กำลังทุกข์ทรมานบ้า ง, งยิ่โหยบ้างเราก็ให้เขาได้เอาพอแค่นี้นะ